วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาพุทธศักราช2 5 5พห้าร้ยห้าสิบห้าวันที่25ห้าที่ผ่านมามีพระนวกะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาแพทย์สิทธิราชมาบวชทุกปีที่ผ่า น, านมาปีนี้ก็ปีหนึ่งที่นำนักศึกษามาบวชปีนี้บวชเก้าเก้ารูป แล้วก็มีพระมีนาของวัดของหลวงพ่ออีกสมทบก็ไปอีกสามแล้วกันเนนหนึ่งเป็นสี่รวมแล้วเป็นสิบสามบวชมรที่ยี่พาที่ผ่านมาคนนั้นพระชว่วงนี้ก็เลยเยอะพอเป็นพระนักศึกษาแต่หลวงพ่อก็ไปนูน่นไปงานของคุณแม่ชีแก้ววันที่ยี่สิบสี่ยาเป็น วันครอบครอบ22ปีของคุณแม่ชีแก้วมรณภาพตรงนั้นก็หลวงพ่อเองเป็นถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อเป็นลูกชายของท่านท่านรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดถ้าพูดขึ้นมาก็พูดก่อนเกิดอแต่จะทํายังไงได้ท่านพูดอย่างนั้นนะคุณแม่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มอท่านมรณภาพก็ได้จัดงานพุก ปีต่อมาก็เลยประชุมกับคณะกรรมการว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบบรรณภาพของคุณแม่ชีแก้ววันนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้อยู่ที่วัดถึงจะบวชพระวันนั้นหลวงพ่อก็อนูน่นก็เลยอยู่ทางผูเจ้าก้อนเดินให้พระจัดทางนี้ดูแลทางนี้แทน แต่งานทางนูงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพระนว ก, กะก็ได้บวชพอกลับมาก็มาพบกับพระใหม่วันนั้นเพื่อขอนิสัยตามพระวินัยแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกพระใหม่ทั้งหลายแต่เมื่อคืนนุพ่อก็ไม่ได้ลงมาเหมือนกันนะไม่ได้ลงมาแต่พูดตอนเช้าเมื่อวานนุพ่อก็มีอะไรก็พูด เป็นการแนะแนวและการพูดให้ฟังแนวความคิดในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลายแนวทางพูดตอนเช้าเมื่วานแต่เมื่อคืนตามปกติตั้งแต่นักศึกษาเข้ามาเป็นนาคเข้ามาหลวงพ่อก็ให้พระในวัดพามาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแต่ตามปกติวัดของหลวงพ่อ8ปดค่ำสิบห้าค่า จะมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเยน็นอันนั้นถือมาเป็นประเพณีแต่นอกจากนั้นก็ไม่ได้ไสวดมนต์ไหว้พระแต่สวดมนไหว้พระเองที่กุติของตนเองแต่ไม่ได้มารวมกันแต่วันพระแปดค่ำส5บห้าค่ำจะมารวมกันไหว้พระไหว้พ ร, พระพร้อมกันแล้วก็ฟังธรรมเทศนาตะก่อนก็หลวงพ่อให้เปิดเทศเอ็มพีสามของหลวงตา หลวงปู่ล่าครูบาจารย์หลายๆองค์พอต่อมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ค่อยได้เปิดหลวงพ่ออบรมเองพูดเองเพราะบางเรื่องก็ภายในเจ็ดวันหลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าวัดก็ต้องได้เห็นเรื่องราวที่จะต้องพูดจะต้องอบรมจะต้องทำความเข้าใจกับพระในวัดเพราะว่าเจ็ดวันเราจึงได้มาประชุมพร้อมกันแต่หลวงพ่อก็ให ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่วัดของเราก็มีอยู่แล้วกลางคืนเปิดฟังเลยคือธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงตาเปิดฟังแต่ละกันหลวงพ่อบอกว่าให้ฟังคืนละหนึ่งกันก็น่าจะพอคืนละหนึ่งกันนั่งตั้งใจฟังจริงๆนะไม่ใช่นอนฟังตั้งใจฟัง นั่งคัดสมาธิแล้วก็ฟังพอฟังจบแล้วก็นั่งภาวนาต่ออีกและจะนั่งต่อต่อไปอีกก็ได้แต่ถ้าฟังมากเกินไปมีแต่อาศัยฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็เกิดประโยชน์อยู่แต่ว่านั่งภาวนาเน้นจะเกิดประโยชน์มากนั่งภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้ก็หลวงพ่อให้เครื่องฟังไปด้วยให้ฟังวิทยุ กลางคืนฟังวิทยุทำมเทศนาของหลวงตาอย่าไปฟังร้องรําทําเพลงนะผ้าใหม่นะอันนั้นไม่ใช่เรื่องของของเรานะเพราะเราเป็นพระจะไปฟังร้องรําทําเพลงขนาดศีลแปดก็ยังผิดศีลสองยี่สิจ็จะไม่ผิดได้อย่างไรต้องระวังเราเป็นผู้ใหญ่แล้วบอกกันให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็ต้องอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดธรรมวินยัยอย่าไปทํา อันนี้หลวงพ่อกอ็ได้บอกแล้วก็วันพระ8คดข้ามสิบภาคข้ามลหลวงพ่อจะต้องลงมารมและมาพูดเกี่ยกับวินยัยเกี่ยกับกฎและเบียบเกี่ยกับข้อธรรมหรืวว่าแนวความคิดของหลวงพ่อที่ได้ประสบประการมาอย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรแนวแถวของกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านพาปฏิบัติมาอย่างไรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาหลวงพ่อก็จะได้นา เรื่องราวนั้นๆมาแนะนําสั่งสอนพระลูกพระหลานที่เป็น ศ, ษนศิษย์ญาณุศิษย์คณะศรัทธายาติโยมให้ได้รู้จักแนวแถวทางว่าไม่ได้ยินได้ฟังเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาได้เรียนรู้พวกเราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นหลวงพ่อแต่ละวันก็หาเกบแต่ละเกตเกตนึงมาชี้แนวให้ใหฟัง เออนี่นี่เรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ อ, อ่าแล้วก็จบไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นมาเออแนวนี้แนวนี้แนวนี้นะ อ, อ่าแล้วก็ให้ฟังอันนี้คือหลวงพ่อจะแนะแนวเป็นเกร็ด เ, ออเพราะว่าธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แล้วก็อีกแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมา ได้ผลอย่างไร น, นี่ก็หลวงพ่อก็ได้นำในเรื่องนั้นๆมาบอกกล่าวให้แกพระลูกพหลานกณศรัทธาญาติโยมให้ได้ยินอีกนี่แหละอันนี้ก็คือวันแปดค่ำสิบห้าค่ำถ้าจะฟังดูก็นในเอ็มพสของหลวงพ่อนะ่ทั้งสี่สิบแผ่นอยู่ในนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังยังไงก็เถอะมันก็ยังไม่พอยังไม่พร้อมทางว่า เราหยุดอยู่เพียงแค่นั้นกับพระที่มาบวชใหม่ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่จะไปฟังให้ทั้งหมดก็ไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องดูเหตุการณ์ว่าวันนี้ช่วงนี้ควรจะทำหรือควรจะพูดอะไรในคนในชุมชนกลุ่มนี้ควรจะทำอะไรพูดอะไรให้เข้าใจจนได้เอาจุดปัจจุบันมาพูดกันแต่ถึงยังไงก็ MP3 พีสาม ที่หลวงพ่อพูดไว้นะั้นก็มีประโยชน์เพราะนั่นอย่างหลวงพ่อไม่ได้ลงมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยหรือว่าหลวงพ่อไปธุระอย่างอื่นหลวงพ่อก็บอกพระอในวัดลุกพระรุ่นพี่พระในวัดของหลวงพ่อเออพาพระใหม่ลงทําวัดเย็นนะเพราะว่ามีเวลาน้อยจะให้แต่หลวงพ่อพูดองค์เดียวการศึกษาคงจะไม่เพียงพอ การศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วนักศึกษาที่เขามาบวดจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้พระเก่าพาทำวัดเย็นพาทำวัดยอ่ออย่างนันกัเปิดเอ็สให้พวกท่านทั้งหลายคัดเลือกกันไหนที่นักศึกษาหรือวพระใหม่ที่จะเข้าใจจะควรจะศึกษา ควรจะเรียนรู้ในเรื่องนั้นเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยหลวงพ่ออบรมมาตั้งหลายรุ่นแล้วไม่รู้ว่ารุ่นไหนต่อรุ่นไหนบางองค์ก็อยากจะรู้เบื้องต้น่ะวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นเป็นอย่างไรก็มีตั้งเยอะแยะที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นนับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าคือว่าขั้นต้นใ น, ในการปฏิบัตเิเมื่อเข้ามาแล้วควรทําตนอย่างไรมีมีตั้งเยอะแยะ เราศึกษาพราะหลวงพ่อจะพูดแบบละเอียดหลวงพ่อไม่ไม่ได้พูดว่าไม่ได้คุยเลยแล้วว่าให้ฟังเทศครูบาอาจารย์องค์อื่นๆแต่ท่านจะไม่พูดในรายละเอียดอย่างหลวงพ่อพูดเพราะพันธมีแต่คิดว่าพวกเราเข้าใจแล้วท่านก็สอนเหมือนกับหลวงพ่อในสอนกอไก่ขอไข่ขอขวดสล ะ, ะอาธละอาแต่ท่านบอกว่า พวกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านสอนเลยแต่ทอสอนทีนี้พวกที่ไม่เข้าใจให้พิจารณาสุภานะอสุภ า, ะนะภาก็ยังไม่เข้าใจอีกิชื่อว่าอสุภาะนะันคืออะไรอีกมันก็เลยงงครับเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องพูดให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ถ้าท่านผู้ใดรู้แล้วก็หน้าลาคาญเหมือนกันนะ ที่ฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ยน่ารำคาญแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่รู้เออเข้าใจฮหหรือว่าพระเก่าก็เหมือนกันโยมเก่าก็เหมือนกันฟังฟั ง, ฟงดูแล้วก็น่ารำคาญแต่พวกที่มาใหม่เออใช่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนะี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงคิดคิดอยู่ในใจเหมือนกันอนะ่ะเวลาหลวงพ่อพูดเรื่องเก่าออกพวกไล่คนเก่าลงไปทั้งล่างทั้งหมดจะเอาพระใหม่มานั่งฟังฮหลวงพ่อว่านะ แต่ตามไม่จริงก็อย่างว่าอีกเหมือนกันพวกเก่าก็ได้ยินกันได้ยินนะ่ะได้ยินหูซ้ายทะลุหูขวาทะลินหูขวาทะลุหูซ้ายไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่ได้ต่างหากเอียเพอเพอบอกให้สินห้ากันสินห้าก็ยังมันหลุดหลุดหล่นหล่นอีกแล้วจะว่าตัวเองฟังแล้วปฏิบัติได้อย่างไรไมันต้องฟังซ้ําๆำซักซักฟังไรข้างต่อไรหนกอกแล้วกอก อ, อ, กอีกจริงจะเข้าใจจริงจะจรงจะหนักแน่นะ ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นแหะเพราะนั้นพวกพระใหม่ก็เหมือนการที่เข้ามาหลวงพ่อก็ต้องนับหนึ่งใหม่วิธีการสอนเพื่อให้เข้าใจที่จะให้ค้นคว้าศึกษาเองก็มีเวลาน้อยเกินไปแต่หลวงพ่อก็เน้นหนักบอกว่าพระใหม่ทุกองค์เรื่องตํำรับตํารานั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าเ พ, พิ่งอ่านให้เน้นในภาคปฏิบัติก่อนให้ภาวนาซะก่อนให้ทําจิตใจให้สงบซะก่อน ถ้าได้อย่างนี้จะดีมากแต่โดยมากพระใหม่พอเข้ามาแล้วก็วิตกกังวลเออบางคนนะเออเพราะเข้ามาอยู่ในป่าดวงพงไพยอย่างนี้มาก็โทรศัพท์เคยใช้ก็มาได้ใช้ทีนี้เข้ามาที่จะมาอยู่คุยกันก็ไม่ได้คุยกันผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะจับอะไรถูกว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาแล้ดนมาเศร้าซึมวิตกกวิตกกังวลนี่แหละ ตัววิตกกังวลเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงพอคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเคสเท่นี้เหมือนกับเด็กไปอยู่เมืองนอกลักษณะอย่างนั้นเด็กที่เมืองไทยติดพ่อติดแม่ติดวงสาคณาญาติติดหมู่ติดเพื่อนแล้วแยกตัวไปอยู่เมืองนอกอย่างนั้นพออยู่เมืองนอกไม่รู้จะเรียนยังไงไม่รู้จะอยู่ยังไงว้าว่งอ้างว้างเงียบเหงาบางทีอยู่ไม่ได้ พอคิดถึงหมูถึงเพื่อนถึงพ่อถึงแม่แล้วก็กลับมามันก็อย่างเก่าทั้งที่พ่อแม่เจตนาอยากจะให้ตัวเองลูกตัวเองไปเรียนหนังสืออยากจะให้เป็นตัวของตัวอยากจะให้เป็นผู้ใหญ่อยากจะให้เข้มแข็งพ่อแม่มีเจตนาอย่างนั้นไม่มีพ่อแม่ไหนเราอยากจะให้ลูกตัวเองเกาะแข้งเกาะขาอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเองไม่รู้จักไม่รู้จักวางตัวเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยให้รู้จักการวางตัวให้ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ให้เชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วยี่สิบปีแล้วเป็นพราแล้วพร้อมที่จะกระโดดลงไปสู่โลกกว้างแล้วเหมือนกับปลาที่เลี้ยงมาใหญ่แล้วก็ปล่อยลงไปในบึงในบ่อ ในน้ำมหาสมุทรทะเลอย่างนั้นนะก็พร้อมที่จะแวกว่ายไปตามลําพังพร้อมที่จะแหวกว่ายหาประสบาการณ์เนีไม่ใช่ว่าจะเกาะอยู่ในตะกงตะก้าจะไม่ยอมหนีออกจากตะก้าที่เขาเทออกไปไม่ได้นะพวกเราทั้งหลายต้องพร้อมที่จะค้นคว้าศึกษาในอยู่ในโลกกว้างเราจะต้องศึกษา ไม่ใช่เราจะอยู่กับพ่อกับแม่เกาะอยู่ตลอดไม่ได้อันนี้พระลูกพระหลานทั้งหลายนะต้องเข้มแข็งเข้ามาบวชอยู่ในป่าดงพงไพเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้เขากินได้เราต้องกินได้กินมันผิดไหมถ้ามันผิดอย่า ก, กินถ้ามันไม่ผิดนะ่ะอันนี้คือเราก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะละเอียดยิ่งกว่าหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ล้วินัยเนยละเอียดถี่ยิบถ้าว่า ร, รมถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วหาที่ตำหนิไม่ได้โลกทั้งโลกตำหนิไม่ได้เพราะว่าละเอียดกว่ากฎหมายอีกหลักพระธรรมวิ น, ยนัยเพราะฉนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาไม่กล่าบพระหรอกถ้าปฏิบัติตนเหมือนกับคารวะแล้วเขาจะกล่าบพระได้อย่างไรอันนี้ที่ญาติโยมกล่าบพระก็เพราะพระเป็นผู้มีศิน ปฏิบัติเหนือกว่าที่เขาทําไม่ได้ญาติโยมทําไม่ได้อย่างพระธรทรำชันมือเดียวอยู่ปารักษาศินส2งรอย่สอย่างแข่งขัดมีศีลธรรมเท่า น, นั้นญาติโยมก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงกลาบอย่างไม่ชีก็เหมือนกันชีก็รักษาสินแปดชาวบ้านเขารักษาศินไม่ได้อย่างชีเขาจึงได้กราบชีลง เพราะกราบผู้มีศินเขาไม่ได้กราบผู้หญิงธรรมดาเฉยๆนะเขากราบผู้มีศินเท่ากราบพระก็เหมือนกันกราบสินของพระเขาไม่ใช่ว่ากราบตัวบุคคลนะบุคคลนั้ถ้าเปืืองผ้าออกไปศึกออกไปแล้วเขากราบไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นครวญเหมือนกับเขาแล้วเขากราบไม่ลงแต่เขากราบพระเนี่ยเขาคือกราบลงเพราะว่าท่านเป็นผู้มีศินมีศินมีธรรมเป็นที่ยอมรับอพวกเรา ท่านทั้งหลายทำไม่ได้พวกข้าพเจ้าทำไม่ได้นี่แหละอันนี้คือพวกเราที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราต้องเป็นผู้ตรหนักไว้ในใจเสมอว่าเราเป็นพระเราเป็นผู้มีศีลจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องสํารวมต้องระวังให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไร เราก็ปฏิบัติตามนั้นหรือเราเห็นท่านพาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่ท่านพาดำเนินไม่ต้องถามกันหรอกใช้ตาตานั่นแหละสังเกตตาพอเห็นแล้วก็นี่ปั้นพาพาทำอย่างนี้หูเมื่อได้ยินแล้วปฏิบัติอย่างที่ท่านได้บอกกล่าวสรุปแล้วก็คือหูตาหูนั่นแหละเป็นพวินยัย เป็นธรรมเป็นวินัยจะต้องปฏิบัติเมื่อเราได้เรียนรู้นะนี่แหละไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์บอกทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนยังค่อยทำํำจังค่อยปฏิบัติมันไม่ได้มันไม่ทันเพราะเหตุไรจะให้ครูบาอาจารย์บอกทุกอย่างในขณะที่ตัวเองก้าวเดินไปไม่ได้เปลวจะก้าวเดินก็ต้องระวังนะอย่าไปเหยียบสัตว์นะอืมเยบอกเท่านั้นแนะ่ะแต่พอเดินไปแล้วจะไป บอกแดงหน่อ ส, สัตว์นะสัตว์นะอย่าไปพูดอย่างนั้นได้ยังไง เ, เมื่อได้ยินแล้วว่าครูบาลจะว่าอย่าไปเหยียบพวกสัตว์นะเดินไปต้องส้ำรวมระวังนะเอย่างนี้เราก็ต้องเดินไปก็ต้องส้ำรวมระวังออย่าไปเบียดเบียนสัตว์นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นอถึงจะเป็นตัวมดตัวบุ้งตัวมแมลงตัวยุงก็ตามห้ามฆ่านะพอเราเป็นพระนะ่ เราต้องมีเมตตานะต้องไล่ไล่เท่านั้นละ่ะอย่าไปฆ่ามันอะ่าไปฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์แล้วผิดศีลของตนเองศีลสองร้ยี่สิบเ็ดนั่นนะ่ะผิดศีลไปข้อหนึ่งขาดศีลไปข้อหนึ่ง น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อพิ น, นัยต้องเราได้ยินแล้วเราก็ต้องระวังะต้องสำรวมระวังจากนั้นเออเอาพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชแล้วต้องสำรวมใจนะภาวนานะ ทำจิตใจให้สงบนะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักนะเวลาเดินจงกลมพยายามเดินให้นานเวลานั่งภาวนา น, นั่งให้นานการพูดคุยกันต้องพยายามห่างเหินกันไว้ก่อนเพราะโอกาสที่เราจะคุยกันนั้นมีมากแต่โอกาสที่เราจะนั่งภาวนามาปฏิบัตินะั้นมีน้อยเพียงสามอาทิตย์เท่านั้นเองเราต้องเจียดเวลามาปฏิบัติ เวลาคุยกันนะออกไปแล้วเราจะคุยกันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ได้ไม่เป็นไรแต่หาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากนะหาอยู่ในความสงบอย่างนี้ดูใจตัวเองอย่างนี้มาภาวนาเนี่ยคือมาดูใจของตนเองดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจใจนั่นคืออะไรนะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจถ้าไม่ภาวนาถ้าภาวนาจะรู้ได้ว่าใจนั่นคืออะไรกายนั่นคืออะไร พอกำหนดของเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองแล้วนั่นนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนะั้นเป็นยังไงจะทำยังไงใจจึงจะสงบนะกายสงบวาจาสงบใจสงบท่านว่าใจสงบนะถ้าใจสงบสัอย่างเดียวนะั่นะวาจาก็สงบกายก็สงบนะเพราะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ นี่แหลักของพระพุทธเจ้าหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านเน้นเรื่องของใจเน้นของใจนั่นคืออะไรจะภาวนาอย่างไรหลวงพ่อก็เคยแทะนกำกหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักนะขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลาเราเดินจงกรมเวลาเราตั้งก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโตพยายามดูอย่าให้เผลออย่าไปคิด พยายามอยากคิดไปในอดีตยอยากคิดไปในอนาคตให้ใจยอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องวิตกกังวลถึงใครทั้งหมดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่น้องวงศานาญาตการศึกษาอะไรตรกก็ราวเพียงสามอาทิตย์จะเป็นอะไรให้มันเป็นสิเอนพระพุทธเจ้าของเราสนะิท่านไปอยู่ในป่าทั้งหกปีท่านไม่มีพ่อไม่มีแม่เหรอมีทั้งกรรมเหศรีมีทั้งบุตรชายมีครบหมดทุกอย่าง ทหารตำรวจบริวารครบจรึงกว่าเราอีกเรามีอะไรเงินมกี่ล้านกี่ร้อยล้านมีปากากากี่ด้ามมีสมุดกี่เล่มก็มีเพียงแค่นั้นพระพุทธเจ้าท่านมีครบทุกอย่างท่านยังเสียสละออกไปได้ไปอยู่ในป่าดงผงไฟถึงหกปีไปทดสอบทดลอง เ, เรื่องภาวนาของท่านผลในสุดท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะก็ให้เป็นพระที่ดีให้เป็นพลเมืองที่ดีให้เป็นบุคคลที่ดีให้รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองแล้วรู้จักคนอื่นรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรมันจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้ว น, ะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ผู้พาหลานทุกองค์ที่เขามาบวชให้พระพุทธศาสนาอย่าลืมตัวพูดง่ายๆอย่าลืมตัวที่เรากราบที่คณะศรัทธาญาติโยมกราบก็เพราะว่าเราเป็นผู้มีศีลแต่ถ้าเราไม่เป็นผู้ไม่มีศีลแล้วเรากโกหกตัวเองเป็นอันดับแรกนเราโกหกตัวเองเป็นอันดับแรกต่อไปก็เป็นโกหกคนอื่นว่าเราเป็นผู้มีศีลให้คนอื่นกราบนะเพราะนั้นต้องดูตัวเองจริงไหนที่มันไม่ดี อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในเรื่องนั้นๆสารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สารวมใจนั่นะเป็นผู้มีสมาธิให้สารวมใจคือสมาธิเพราะนั้นให้พวกเราสารวมใจด้วยสารวมกายวาจาด้วยทั้งมีสมาธิด้วยทั้งมีศีลด้วยอยู่ในตัวของเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดน่ะ แต่ละวันเนี่ยก็ชันจังฮันเฉลี่แล้วกลับไปกุติแล้วก็เดินโยกรมนะผ้าลูกผานะนั่งภาวนาตอนได้เวลาลงมาลงมาแล้วก็นั่นแหะปัดกวาดทำความรีบไปอีกเดินโกรมนั่งภาวนาอีกแล้วก็ลงมาทําวัดเย็นแล้วก็นั่งภาวนารวมกลุ่มกันเพื่อการศึกษาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังส่วนหนึ่ง กินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นอีกส่วนหนึ่งภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบนิ่งสะก่อนแล้วก็นำมาพิจารณานั่นแหละเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาวิถีพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่คือทำจิตใจให้สงบซก่อนแล้วนาจิตที่ ผ่านความสงบมานั้นมาการกรองไตรตรองเหตุและผลใช้ปัญญานะการกรองไตรตรองเหตุและผลจะเกิดปัญญาที่แท้จริงได้เรียกว่าภาวนามยะปัญญาเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษามาศึกษาธรรมะคราวนี้มาศึกษามีเวลาน้อยมากเพราะนั้นให้ถึงจะน้อยก็เถอะให้น้อยที่มีคุณค่านะให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้เป็นเวลาน้อยที่มีคุณค่าทรงคุณค่านะแล้วก็พร้อมการถ้าวันไหนพอที่จะอดอาหารไนทดลองอดดูวันสองวันดูพกเราจะเด้ยรู้ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นหม อ, อได้เข้าห้องผ่าตัดเราไม่ได้ทานอาหารเที่ยงแต่ผ่าตัดมันไม่จบเราก็ต้องอื่เราบวชเป็นพระอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยเราอดอาหารทั้งสองวันไม่ได้ฉัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมันตายวะไม่ได้ทานอาหารเพียงมื้อเดียวไม่เป็นไรแต่ทําให้จบอันนี้เราก็จะมีความอดทนในหน้าที่การงานของเราต่อไปภายภาคหน้าอันนี้การอดอาหารเนี่ยต้องทดลองนะหลวงพ่อว่านะอแต่หลวงพ่อไม่ได้ว่าอดให้ล้มให้ตายไม่ถึงขนาดนั้นแต่อดเพื่อความอดทนให้มีความอดทนเอาไว้เนี่ยเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่า พอไม่ได้กินอาหารมื้อเดียวเท่านั้นอาหารไม่เพียงพอนะ่ยตาลุกเป็นไฟฆ่าใครก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าอะไรก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่จะโสธรเน่ยเป็นนิทานมากระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะเหตุอะไรก็พ่อเนี่ยขาดความอดทนเพราะไม่เคยอดอาหารมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกนักศึกษาทั้งหลายนะพวกเราจะต้องไปเชิญอย่างที่วานเราจ้องไปเชิญในโลกกว้าง เ, เหมือนกับลงเป็น ตะลุยลอยในในน้ามหาสมุทรทะเลเนี่ยเราไม่ใช่จะอยู่ในกระชังนี่กระชังเลี้ยงปลาอยู่ตลอดนะเราจะต้องลุยออกไปข้างนอกโลกกว้างเราจะเป็นหมอทั่วโลกแนวความคิดของเราจะต้องกว้างขวางกว้างไกลพร้อมกันกห้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้มีธรรมอยู่ในใจ่าไปเห็นเรื่องต่างๆยิ่งกว่า พอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมโลกได้ยังไงเราต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาอะ่ยจะไปเห็นแก่ลาบยศสรรเสริญเห็นแต่แก่เงินแก่ทองอย่างเดียวไม่ได้นะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อแนะทุกวันเนี่ยนะหมอทั้งหลายที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วไม่ได้เอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วมันจะไปทาง กิเลสความโลภจะมากกว่าไม่รู้จะโลภไปอะไรมากมายนักหนาถึงอย่างไงยังไงเรามีอยู่มีกินให้รู้จักเพียงพอนะพอเพียงอย่างในหลวงพูดนั่นแหะอยู่ที่ไหนผาสุกทั้งหมดถ้ารู้จักพอเพียงอ่ะถ้าไม่รู้จักพอเพียงมีแต่โลภโลภโลภอยากอยากยังไงหาความสุขไม่ได้นะลูกหลานทุกๆคนนะสาาตัตยาจโยมนะให้รู้จักพอแต่ถ้าได้มาโดยเป็นธรรมก็ไม่ว่ากันได้มาเป็นธรรมกคือ มาโดยความอดทนของเราโดยการสะแสวงหาขอ ง, ของเราเนถึงจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านกา็ไม่จัดว่าเป็นความโลภเพราะเราได้มาโดยเป็นธรรมนะรับพรอ น, นุโมทนาให้พร